แนะนำบทอัลมุตฟิฟินบทอัลมุตฟิฟินเป็นบทมักกิยามีสามสิบหกองการบทนี้ได้เริ่มด้วยการประกาศสงครามกับบรรดาผู้ทําให้การตวงและการช่างพร่องซึ่งพวกเขาไม่กลัววันอาคิรอและไม่ได้คาดคิดกันเลยว่าพวกเขาจะต้องผเผชิญกับสภาพอันน่ากลัวต่อหน้าพระผู้ทรงไวซึ่งความเที่ยงธรรมที่สุดต่อมาบทได้กล่าวถึงบรรดาคนชั่ว และได้วาดภาพการตอบแทนของพวกเขาในวันอาคิร์โดยจะถูกลากไปยังนรกพร้อมกับการขู่ตะคอกต่อมาบทได้กล่าวถึงสภาพของบรรดาผู้ยำเกรงผู้ทรงคุณธรรมและสิ่งที่พวกเขาได้รับจากความสุขความโปรดปรานอย่างเทาวนตลอดไปในที่พำนักอันมีเกียรติและเป็นที่น่าเชิดหน้าชูตาทั้งนี้ในสภาพที่ตรงกันข้ามกับสภาพที่ลอทรงเตรียมไว้สาหรับคนชั่วเลวทาม ตามรูปแบบหรือแนวทางของอัลกุรอานในการรวมไว้ระหว่างการเชิญชวนให้กระทำความดีและการขู่สัมทับไม่ให้กระทำความชั่วบนนี้ได้จบลงด้วยภาพลักษณ์ของคนหลงทางคนชั่วเลวทรามที่มีต่อปวงเบาของอัลลอ์ที่ดีทรงคุณธรรมโดยพวกเขาได้ย่อเย้ยพวกเบาที่ดีในโลกนี้และการศรัทธาของพวกเขาและความดีของพวกเขา ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอความหายนะจงประสบแด่บรรดาผู้ทำให้พร่องในการตวงและช่างคือบรรดาผู้ที่เมื่อ พวกเขาตวงเอาจากคนอื่นก็ตวงเอาเต็มและเมื่อพวกเขาตวงหรือช่างให้คนอื่นก็ทำให้ขาดชนเหล่านี้นั้นไม่ได้คิดบ้างหรือว่าพวกเขาจะถูกให้ฟื้นคืนชีพ สำหรับวันอันยิ่งใหญ่วันที่มนุษย์จะยืนต่อหน้าพระผู้อธิบาลแห่งสากลละโลกมิใช่เช่นนั้นแท้จริงบันทึกของคนชั่วนั้นอยู่ในซิดจีล และอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าศิทยินนั้นคืออะไรคือบันทึกที่ถูกจารึกไว้ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ คือบรรดาผู้ปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนและไม่มีใครปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนนั้นนอกจากทุกคนที่ละเมิดที่กระทำความผิดเมื่อบรรดาองค์การของเราถูกอ่านแก่เขา เขาจะกล่าวว่านี่คือนิยายสมัยโบราณมิใช่เช่นนั้นแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาได้ขวนขวายไว้นั้นได้เป็นสนิมบนหัวใจของพวกเขาไม่ใช่เช่นนั้น แทาจริงพวกเขาในวันนั้นจะถูกกั้นจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาแล้วแทาจริงพวกเขาจะเข้าไปอยู่ในนรกแล้วจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่านี่คือสิ่งที่พวกเจ้าเคยปฏิเสธมัน บบอุไ ม, ม, ม, ม่ใช่เช่นนั้นแท้จริงบันทึกของผู้ทรงคุณธรรมอยู่ในอิลลิยีนอย่างแน่นอนและอันใดเล่าทําให้เจ้าได้รู้ว่าอิลลิยีนคืออะไรคือบันทึกที่ถูกจา่าดึกไว้ บรรดาผู้ที่อยู่ใกล้ชิดคือมาลิกะจะเป็นผู้ดูแลรักษาแท้จริงบรรดาผู้ทรงคุณธรรมจะอยู่ในความโปรดปรานอย่างแน่นอนพวกเขาจะมองดูจากบนเตียงเจ้าจะได้รู้ถึงความสดชื่น ความสุขสำราญที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของพวกเขาพวกเขาจะได้ดื่มสุาบริสุทธิ์ที่ถูกผนึกไว้ที่ใช้ผนึกมันนั้นคือชมดเชียงและในการนี้บรรดาผู้แข่งขันที่จะให้ได้มาซึ่งความสุขสำราญนี้ แขัขันกนกที่ชายผสมสุรานั้นมาจากตันนีมคือตาน้ำแห่งหนึ่งซึ่งบรรดาผู้ใกล้ชิดอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะได้ดื่มมัน ถ้าจริงบรรดาผู้กระทำความผิดนั้นเคยหวัวเราะเยาะบรรดาผูา้ศรัทธาและเมื่อบรรดาผู้ศรัทธาเดินผ่านพวกเขาไปพวกเขาจะหลิวตาเยอะอย่างวาออาอา บ, อลบอและเมื่อพวกเขากลับไปยังพวกพ้องพวกเขาก็จะกลับไปอย่างคึกขนาและเมื่อพวกเขาเห็นก็พว่า และเมื่อพวกเขาเห็นบรรดาผู้ศรัทธาพวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริงชนเหล่านี้เป็นผู้หลงทางอย่างแน่นอนและพวกเขาผู้ปฏิเสธศรัทธาไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อเป็นผู้ปกปักรักษาผู้ศรัทธาเหล่านั้น ดังนั้นวันนี้บรรดาผู้ศรัทธาก็จะหัวเราะเยาะพวกปฏิเสธศรัทธาบ้างพวกเขาบรรดาผู้ศรัทธาจะมองดูอยู่บนเตียงบรรดาผู้ปฏิเสธแต่ได้รับการตอบแทนตามที่เขาได้กระทำมามิใช่หรือ